ไปบางสิ่งซึ่งผู้เพื่อนลืมไม่ลงคิดดูมีคนคนหนึ่งเนี่ยเราตื่นแต่เช้าเห็นแ ก, กกวาดเห็นตั้งแต่เราอายุห้าขวบจนเราเป็นหนุ่มมีลูกมีหลานนแกก็ยังกวาด อ, อย่างนี้มันเลยกลายสิ่งน่าทึ่งจริงไหมจริงไหมครับเดี๋ยวนี้เรามีปัญหามากครับเรื่องเรื่องว่างงาน เรื่องบางทีทุกข์หนักตอนสอบเอนทราน e ก็ทุกข์เรียนจบแล้วก็ทุกข์มไม่รู้จะหางานที่ไหนทำนั่นคือเราก็หายที่จะมีชีวิตอยู่แบบคนอื่นเพราะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องอยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นในเมื่อในเมื่อเราก็มีชีวิตของเราได้แต่เราไม่แน่ใจครับเพราะว่า ที่เรียกว่าค่านิยมหรือเกณฑ์อะไรทางสังคมมันทำให้เราทนไม่ได้จะทำในสิ่งที่เราเป็นสุขเราก็ทนไม่ได้นสมัยประมาณสามสี่สิบปีเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริก า, ายแพ้เพรความรู้ทางห้วงอวกาศแกโซเวียต คือสเวยียตส่งจดวลที่ชื่อสปุตนิกขึ้นไปได้ก่อนที่อเมริกาก็ขายขี้หน้าก็เลยเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนเพื่อคัดเด็กเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาสู้กับโซเวียตดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงขึ้นหกสิบเลขขาหกสิบพิชญคณิตหกสิบประเทศเราซึ่งเป็นขี้ค่าของฝรั่งแล้วนะก็เปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาตามน แล้วก็ลดวิชาวาดเขียนเหลือ20คะแนนการฝีมือ15คะแนนภาษาไทย15คะแนนวยากรณไทย15คะแนนลดลดลดล ด, ลดแล้วเด็กที่เก่งไวยากรณ์ไทยเก่งวาดเขียนเก่งการฝีมือนี่เป็นเด็กหัวอ่อนถูกตัดสินว่าเป็นเด็กหัวอ่อนนะ น, นี่คือคาตกรรมครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยของม่เด็กๆเข้าใจไหมครับที่จริ ง, งเด็กเก่งวาดรูปหรือเก่งการฝีมือมันไม่ใช่โง่แต่ว่าถูกตัดสินว่าโง่ เด็กเก่งคณิตศาสตร์ก็สอบเข้าได้เป็นวิศวกรเป็นอะไรตรงนี้ให้หลยนั่นเป็นเรื่องของรัฐครับรัฐถาไม่ใช่เรื่องเด็กรุ่นนี้จำไม่ได้ครับต้องคนอายุประมาณสี่สิบขึ้นบน จ, จ, จึงจะจึงจะจาฟอมหลังอันนี้ได้ภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองสิบห้าคะแนนเลขอะไรเลี้ยงความเนี่ยสิบ้าคะแนนครับ ซึ่งเรียนความนานยามนานี่ยมม ส, สิบคะแนนย่อความสิบคะแนนมั้งซึ่งวิชาเรียงความวิชาสําคัญที่สุดย่อความสําคัญที่สุดนีอย่างถ้าคนเก่งวิชาย่อความอย่างฟังผมพูดชั่วโมงเนี่ยสามารถสรุปประเด็นได้จริงไหมครับสรุปประเด็นได้ทันทีว่าอย่างแม่นยำเนี่ยคือคนที่เก่งย่อความและจากสรุปประเด็นได้ตัวเองสามารถยืดขยายแผ่กลุมวุฒินี่คือเก่งเรียงความจริงไหม ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากๆเลยแต่ว่าใครเก่งวิชานี้เป็นเด็กว่าอ่อนหมดยุคนั้นศิลปศาสตร์ในโลกนี้มีมากครับแล้วก็มีศิลปศาสตร์แห่งการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาดสั่งสอนกันให้เป็นระบบได้ในโรงเรียนหรือในมหาหลัยถ้าคุณมีความทุกข์ขึ้นมาอย่างห น, ในึ่งจะไปปรึกษาศาสตราจารย์ที่ไหนคงคงไม่มีใครตอบคาถามนี้ได้อย่างดีก็ได้คําแนะ น, นํานคะครับไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์มันก็ไม่สบายใจด้วยครับมันก็ผมทราบจากจิตแพทย์ด้วยกันว่าในบรรดาจิตแพทย์เนี่ย จิตแพทย์ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเขาบอกผงจริงนะผมไม่ใช่ยกเมฆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตแพทย์คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนไข้เป็นโรคจิตทีตนี้เมื่อคนที่ยังไม่มีสติคุ้มครองตัวเองดีนะเกี่ยวข้องกับคนบ้าๆหนึ่งก็พลอยบ้าไปด้วยครับจิตใจก็ขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงตามไปด้วยเนี่ยนะดังนั้นจิตแพทย์โรงพยาบาลในนะส่วนใหญ่ไม่ค่อสบายพวกนั้นนะไม่เชื่อคุณลองไปช่วย รักษาเพื่อนที่เป็นบ้านะเดี๋ยวคุณก็บ้าตามนนะเพราะว่ามันไม่อยู่ในล่องในลอยแล้วเราก็คุมตัวเราไม่อยู่ <c oughs> ปีหนึ่งผมนั่งรถไฟจากขอนแก่ไปกรุงเทพคือนั้นมีพระรูปหนึ่งนำคนบ้าไปรักษาคนบ้าคนนั้นก็บ้าแปลกมากครับเขาบ้าโผล่กิ่งเพชรแล้วพอ <c oughs> เพื่อเฟ้เพราสักพักมันก็ลุกขึ้นกาดโมยแล้วก็กูโผล่กิ่งเพชรแล้วก็จกลงฟึฟัดฟึฟั ด, ด, ดแต่นี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แปลกอะไรแต่ที่แปลกคือผมเห็นหลวงพี่อันนั้นเนะรั้งจีวรอน้นมาแล้วอัดด้วยหมัดเรล่งเปล่งแล้วคนบ้างอันนั้นก็สุดนั่งนิ่งไม่กล้าแสดงออกเป็นโผล่จิงเพชรคือหลวงพี่ท่านคงผ ม, ผมไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะคือท่านคงคุมอยู่คงเป็นคนไข้ของท่าน วันนี้มาผลกิ่งเฟชประกาศมวยท่านก็อัดเลยที่แรกผมงงผม น, นั่งดูเอ๊ะอยังไงแต่ผมสังเกต ด, ดูพระท่านปกติดีแล้วท่านก็บอกคนข้างๆซึ่งนั่งยิ้มว่าเนี่ยมันต้องเอาอย่างนี้มันยังจะคุ้มอยู่เมื่อเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะครับระวังโรคติดต่อให้ดีครับ เด็กนะครับถ้ามันเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันยจะลืมนะครับว่าเด็กคเรลาเมื่อพูดว่าเด็กเนี่ยก็คือรูปนามเข้าใจไหมคือกายกับจิตนี่แหละแล้วมันเฝ้าดูแม่มันอยู่ถ้าตื่นในเช้าเห็นแม่หน้าเบ้นี่มันก็มันก็เรียนมันก็เรียนแบบดังนั้นก็ติดถึงลูกครับคนปากต้ก็เลยด่ากว่ามึงมึงบ้าถึงลูกเขาว่างนั้นๆขนับ้าติดลูกเขา่าอย่างนั้นเ ข, า, า, น ข, า, ขาด่าคนนั้นเขาบอก ไอนี่เป็นบ้าจนติดถึงลูกคุณเด็กๆเกิดมามันสังเกตครับสังเกตสังเกตอยู่ดังนั้นพอเห็นพ่อแม่ทะเลาะมันคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีโตขึ้นมามันได้เมียมันก็สัดกันหน้าดูมันก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเด็กที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ไม่ขึ้นเสียงกันเลยนะเด็กคนนั้นก็จะรู้สึกว่าการขึ้นเสียงผิดปกติจริงไหมครับจริงไห แต่เห็นเช้าเย็นในพ่อแม่ฮึ่แห่กันอยู่ทีนี้มันก็รู้สึกเป็นวัฒนธรรมที่ที่ธรรมดาของเขาพอเขามีเมียเขาก็ฮึ่แห่ใาสายเมียเขาเขาคิดว่าเป็นธรรมดาเนีดังนั้นเมื่อเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะครับเราต้องสํารวมมากๆการไม่สํารวมนั้นเหมือนกับการแพร่เชื้อการระบาดออกไปในน้ําหรือเหมือนคนที่ เอาโลตินนี่ครับโรยยในสาปลาตายเรียบปลาใหญ่ปลาน้อยเราจะคิดว่าความคิดที่คิดในใจเรานี่มันเราคิดคนเดียวแล้วไม่มีโทษไม่มีภัยนะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นครับสมมติมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยบอกพวกเรานะครับว่าเขาบอกเขาเข า, เขาเขาอ็นดูหรือเขาชอบหรือเขารักเราแต่ถ้าในใจเขาเกลียดไม่ช้าไม่นานคุณจะจับได้จริงไหม จริงไหมครับเหมือนเขาแกล้งทําว่าเขาเมตตาสงสารโดยท่านในใจเขาเกลียดเนี่ยไม่ช้าไม่นานนะกูจะจับได้เห็นไหมครับว่าไอตัวไอตัวความคิดในเรื่องในทางไม่ดีเนี่ยถึงจะอําพลางอะเดี๋ยวก็จับได้เพราะนั้นความคิดนึกข้างในเนี่ยครับมันเหมือนระเบิดเวลารอเวลาที่จะที่จะโุงออกมาเท่านั้นเองเพราะนั้นเราควรระวังใจระวังใจิตใจไม่ให้คิดในทางไม่ดี แล้วก็โน้มน้าวตัวเองให้คิดแต่ในทางที่ที่ดีครับแล้วเราสามารถที่มองในแง่ดีได้ด้วยนอกจากแง่ร้ายสมมติเราเห็นเนรกำลับบงกินข้าวเย็นเนี่เราคิดยังไงดีครัอเราเราถ้าเราเคร่งคลัดตมากๆเห็นพระกินข้าวเย็นเราอาจจะโกรธก็ได้โมโหก็ไปชกพระส เ, เราเลยกลายเป็นตัวเลวอย่งกับพระจริงไหมครับ เ, เนี่ย สมมติเราเห็นเนรกินข้าวเย็นผมก็เห็นเห็นเนรกินข้าวเย็นผมไม่ว่าอะไรผมบอกหิวก็กินได้แต่จะกินบ่อยนะคือเรามีสิทธิ์ที่จะคิดในแง่ดีได้แล้วคิดว่าอืมนี่ขนาดเป็นเนรมันยังกินข้าวเย็นถ้ามันไม่บวชให้เหลืองอย่างนี้มันคงจะไปเที่ยวฆ่าคนนะดีแล้วที่มันเป็นเนนกินข้าวเย็นเราคิดอย่างนี้ได้ครับเพราะโดยข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้น บางทีเราเร า, เราจะมองในแง่ดีได้ซึ่งดีแบบมองในแง่าลายแต่ถ้าดีที่สุดคือมองตามที่มันเป็นจริงครมองตามมันเป็นจริงผมเห็นเนนผมผมไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเด็กครับเนนจะหกคะนนตีลังกาผมคิดก็เหมือนก็นเด็กๆนั่นแหละถึงเวลาแกก็สมรวมได้อย่างนี้ใช้ได้แล้วครับ หรือเรามองพระสงฆ์บางทีเราเกณฑ์พระสงฆ์เกินไปนะฮะผมเคยเป็นนักบวชก็รู้ญนะาติโยมบางคนทำไมเหลือล้านจริงๆเกณฑ์พระจะให้หลุดพ้นตั้งแต่วันแรกบวชเลย <c oughs> ไม่ได้ท่านเป็นพระท่านต้องบริสุทธิ์ท่านต้องเคร่งนี่ก็มาทําไมโยมนั้นไม่บวชตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดไปจะมาเคี่ยวเข็นพระส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นะฮโดยเฉพาะโยมเร็วๆนะผมพูดตรงๆนะชอบเคี่ยวเข็นพระคือตัวเองคล้ายๆชดเชยกัน ตัวเองเก็กมเลยกินเหล้าเมายาแล้วเห็นพระกินยาดองนห้เดียวโกรธนี่เป็นอย่างนี้ครับดังนั้นถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะครับยังน้อยสุดจิตใ จ, จเราค่อยๆสดชื่นขึ้นคือเรื่องราวจะจบสิ้นลงอย่างง่ายดายนะท่านอาจารย์สมโภท่านเคยยกตัวอย่างดีท่านบอกว่า สมมติมีคนขโมยกระเป๋าเงินเนะี่ยซึ่งในนั้นมีเงินดนะ้วยเราจะต้องโกรธและเสียใจมากมากแต่ถ้าในขณะนั้นเราหมองแง่ดีก็หมอกดีมกันได้ทําบุญคิดอย่างนี้คล้ายๆมันคล้ายๆพูดปลอบใจตัวเองแต่จริงๆแล้วดีนะเพราะยังไงเสียมันเอาคื น, นไม่ได้แหละโอเคกวก็ดีมันกันเราไม่ได้ทําบุญมาหลายปีแล้วก็เอาสักทีนี่ก็จําจยอมแต่ก็ได้ผล ได้ผลจริงด้วยคืออย่างน้อยสุดในใจทังสเออดีแล้วละ่ะเราก็เราไม่ค่อยได้ทำบุญอยู่แล้ววันนี้อาจารย์ก็จะประชุมนะครับผมขอเลิกเท่านี้เดี๋ยวจะมีการประชุมใช่ไหมใช่ไหมครับ ปันหาคือยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับควรจะหมดปัญหาได้แนละ้วไม่ควรจะถามว่า <c oughs> <c oughs> มีมีปัญหาอะไรครับ <c oughs> <c oughs> เป็นทหารแล้วก็เขาเขาบอกนะอตเ็จนี้เขาบอกี <Jessie> ่าบอกให้จริงแล้วก็มีอสองคนที่ใหญ่ที่กไม่ได้าบอกต้อเป็นเหมือนเป็นเที่ยนโยนตัวให้ดีคือศาสนาแบบผู้คนไมได้เป็นรางอะไรเข ดีดีค้องพูดถูไมพุ่งปุ่งไปเลยทำไมต้งเปิดคิดเื่อไปแล้วมันเป็นที่มันไม่สบาใจอืมแก้ได้พุ่งง่ายจริงครับพื่องคิดแล้วไปแล้วนะครับดีนะยปัญหาถามดีเดี๋ยถามดี แม้จะเกิดขึ้นคนคนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้อที่จริงร่วมกับอหลายคนนะ ผมเพิ่งฝรั่งเมนที่ที่สุสานกลับไปอยู่ทั้งมาน้ำโขงนะที่เซเลนอ๋อแค่เอ่ยชื่อเท่นั้นเก็จริงนะคือสมมติว่าที่เหตุที่ทำให้เราลั่นรนาดีนั้มี แหมายควาเราต้องต้องมีเรื่องที่ฝังใจมากๆเลยคสมมุติเราผมนั่งดูนี้นะนั่งหันหน้าทางนี้นะแล้วเพียงแต่ตาเหลือไปเห็นเสือสีแดงโดยไม่ตั้งใจนะครับผมอาจจะนึกถึงคนหนึ่งที่ชื่อแดงก็ไดนะ้โดยไม่มีเหตุผลแต่เหตุมันมีครับคือไปเห็นสีแดงนั่นเองภาษาอะไครับเห็นสีแดงเพอคนนึกปุ๊บไปทันทีโดยไม่รู้ตัวนะมันไปแล้วทีนี้พรนึกถึงคนชื่อแดงเอาแล้ว ก็ <c oughs> ลุกลามกันไปสาวไปเรื่อยสาวเป็นอย่างนั้นด้วยครับก<ไ>็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นมาดูมันดูสิ่ง น, นี้นะครับธร ร, รมชาติที่สมมติผมนั่งดูดูหนูคนนี้นะฮะพอเห็นที่ใส่แว่นตาเนี่ยพอเห็นปับ๊บการเห็นไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนะโดยโดยทั่วไปเนี่ย ยิ่งเห็นแล้วยิ่งสนใจนี่มันยิ่งจำครับมันจำกันไปเนลยทีนี้ผมหันมามองทางนี้ไม่ไม่ใช่สีสมองมองมองมองข้างหลังโ น, องนเอเอ้สมมุติว่ามันเกิดเรื่องคือภาพนี่มาซ้อนกันอยู่ภาพนี้นะครผมเริ่มไม่สบายไ อ, อ้สิ่งที่ฝังอยู่มันเลยไปปนไงผมเลยเห็นน้องคนนี้ก็ผมยาวๆด้วยใล้ๆเป็นผู้หญิงอยู่นี่ยุ่งกันอใหญ่ มันบวกกันเท่าครับมันบวกกันเนียเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าผมเห็นอันนี้แล้วโดยโดยกระบวนการธรรมชาติมันจบสิ้นลงนะที่จริงผมต้องทิ้งอันนี้ก่อนเห็นอันนี้จริงเห็นอันนี้ตามที่เป็นจริงใช่ไหมครับใช่ไหย ดังนั้นคนที่เมื่อเริ่มเป็นโลกศาสตร์นะครับหรืออะไรมันคล้ายๆมันเริ่มบวกกันเข้าหลายซ้อนเหมือนฟิล์มถ่ายรูปซึ่งเราอ่านแล้วฟิล์มมันซ้อนเคยเห็นไหมครับซ้อนเข้าซ้อนเข้าที น, านี้มันแ ย, แยกแยกไม่ออกครับอะไรเป็นอะไรดังนั้นผมยึงเตือนแล้วเตือนล่าหนอหมอให้รู้สึกตัวมากๆครับตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสมมติว่าเห็นเรือ น, นี้หรือว่าเราเป็น ไปทำงานเป็นข้าราชการนะครับทะเลาะ ก, กันกับลูกน้องถ้าคนที่ที่ความรู้สึกตัวไม่ชัดสติไม่ดีนะครับกลับถึงบ้านนี่มยังมีเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวก็เล่นงานกับพัรยายแนละ้ทะเลาะกันที่จริงเนื่องจากขัดกับลูกน้องอารมณ์ที่เราเรียกอารมณ์ค้างแต่สมมุติคนที่มีความรู้สึกตัวดีนะมันจะจบเป็นเรื่องๆครับจบไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่อง ดังนั้นชีวิตจะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอจะเริ่มต้นใหม่พอคุยกับคนใหม่ครับก็เกิดความรู้สึกส ด, สดสดขึ้นมาใหม่ทีนึ่ดังนั้นจากคําถามที่ถามให้ดีนะครัดีเพราเป็นปัญหาเป็นปัญหาร่วมสมัยเดิงๆแล้วมักจะโยงเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งโดยที่ไม่รู้สึกตัวครับที่จริงๆผมพูดเรื่องพระเขมรไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะพระเขมร ผมเล่าวพระเขมรผมไปบรรยายที่วัดหนึ่งพระเขมรก็เข้านอนเรียบร้อยโยมนั่งสมาธิอยู่ยเข้ามาเห็นแปลกดีนะฮะคือจ <c oughs> ิตใจของมนุษย์นี่คล้ายเป็นลูกฟุตบอลนะครับอารมณ์ผมไม่ได้หมายจิตใจนะูฟุตบอลในสนามฟุตบอลนะครับพอเข้าตีนใครก็ถูกชุดไปทางโน้นพอไปโน้นไปทางโน้นมันไปทางโน้นเป็นอย่างนี้ครับ แล้วเราจะควบคุมไม่ได้ด้วยครับไม่มีอำนาจไหนที่ไปคุมแม้จะมีพุทธภาสิตนะครับว่าในหมู่มนุษย์ผู้ข่มจิตได้เพเสสุดนะครับแต่จริงๆนั้นถ้าในภาคปฏิบัตินะสมมติว่าเราพยายามที่คุมจิตให้อยู่เนี่ยผมว่าอันตรายมากๆ กรรมวิธีนะครับจริงๆแล้วกรรมวิธีในการละอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมีอยู่เหมือนกว่าทางมีอยู่นะครับเหมือนถนนมีอยู่นะแต่ว่าพื้นพื้นเพ ข, ของเราเองสำคัญสาคัญยิ่งกว่าตัวเทคนิคเ้าใาไนมครับเทคนิควิธี น, น่าจะดีมากๆเลยสมมตินะซึ่งผมคิดว่าสำนักต่างๆนะครูบาอาจารย์หลายหลายคนเนะียแนะนำดีทั้งนั้น แต่วัดตัวเราสําคัญกว่าบางทีกรรมวิธีที่ดีนี่ไม่ไม่สําเร็จประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้ถ้าผมบอกตรงๆเลยนะครับบอกทิ้งเสียอย่างนี้ฟังดูตลกมีแต่ก็เรื่องจริงมีอย่างนั้นเนยสมมติมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนะนี่ยนทะิ้งเสคําพูดเท่านี้เนี่ยบางคนทําได้กับบางคนทําไม่ได้เอาล้วผมจะยกตัวอย่างนะสมมติคราวหนึ่งสีสมอนเนะี่ยเขา เขามีปัญหามีปัญหาหนักมากเลยจนกระทั่งร้องไห้แล้วเพื่อนอีกคนนึงถัดไปเนี่ยซึ่งไม่มีปัญหานะครับก็บอกว่าโอ้ยสีสมอเลยเรื่องเท่านี้จะไปเสียดายเสียดง เ, เสียดายอะไรเพื่อนคนที่นั่งถัดไปเนี่ยมีสิทธิ์จะพูดเพราะเขามีปัญหาเลยในใจเขานะครับแล้วสติปัญญาที่จะพูดพูดยังไงก็ได้บอกว่าเรื่องเท่านี้เรื่องเล็กทิ้งไปซิใช่ไหมครับเป็นกันได้นะ สมมุติอีกคราวหนึ่งเนี่ยศีรมอนไม่มีปัญหาขึ้นมาแลทีนี้เพื่อนคนที่เคยปลอบมีปัญหาขึ้นมาสีสมรก็มีสติฟูบบอกก็ทิ้งสิแต่ว่าคนที่มีปหาบอกทิ้งยังไงนเมื่อมันทิ้งไม่ออกฮ ม, มันมันอยู่อย่างนี้ครับในเมื่อเรามีอิสรภาพเนี่ยสติปัญญาเราสมบูรณ์แล้วเราเห็นคนหนึ่งร้องไห้เสียเสียใจนะเราเห็นยอดยอมนะครับ เราซึ่งเป็นผู้ไม่มีปัญหาเราพูดได้เต็มที่เลยแล้วไม่ใช่เราไม่รู้จริงเรารู้จริงๆด้วยนะครับเราพูดจากความจริงใจทั้งวันยู่ั้งวันเสียใจทำไ ม, ามาเรื่องเท่านี้เรื่องขี้ฝนเเราพูดจริงๆด้วยด้วยความจริงใจด้วยนีแต่เจ้าตัวฟังไม่ออกครับเพราะปัญหามันอัดแน่นอยู่นี่เข้าใจาไหมครับนีแต่ว่าพอปัญหามันหลุดก็นึกออกว่าเออพระเคยพูดกับเราอย่างนี้ทีนี้ก็ดีแล้วเข้าใจาไหมครับ ปัญหาของคนเรานะครับคือมันติดคิดครับสมมุติว่าปัญหานะอย่างอย่างที่ท่านเป็นอันนี้คือติดคิดนี่แหละไม่ใช่อะไรอื่นนะสมมุติเรามี ม, มีมีปัญหานะครับอ่สมมุติว่าคราวหนึ่งมีคนคนหนึ่งยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะครับแล้วรถเมย์มาจอดพอดีซึ่งคนในรถเต็มไปหมดแล้วบังเอิญในคนนั้นมันตกคูนี่ครับตกท่อน้ํานี่มันก็อายคนในรถนี่มากเลย รถคันนั้นวิ่งหายหัวไปไหนแล้วเราไม่ได้รู้จักคนในรถด้วยนะแต่เรายังอายไม่หายไม่รู้อายใครครับคือมันติดคิดนี่เองเข้าใจไหโอ๋อมันติดติดคิดอยู่นี่เองจริงๆคนในรถเมย์เขาลืมไปแล้วเพียงพอรถเคลื่อนนนั้นใครจะมาสนใจเราถึงขนาดนั้นแต่เรารู้สึกโอ้โหอายขี้หน้าอายเหลือเกินเราติดคิดครับสมมติเราปัดคิดออทิ้งกาไปเท่านั้นเองทุกเรื่องหอนึ่งครับไม่ใช่พอเรื่องหนึ่งนะเรื่องกามเนี่ยเป็นเรื่องคิดเท่านั้นเองไง มีเขาหนึ่งหมอโน้วยขาหนึ่งเขาสนใจธรรมว่าคุยดีกับผมบ่อยครับแต่แล้วเขาเขากลับเพราะว่าเขารู้อะไรน้อยกว่าัญญางเขาสิเขาฝึกษาัญญางเขาว่าพี่เนี่ยมันยังติดเรื่องนี้อยู่ไม่รู้จะทําไงเมียก็บอกก็เลิกคิดมันก็หายติด <c oughs> คือเมียก็พูดตรงมางๆแล้วก็เขาเลยนึกออกว่าเออจริงๆด้วยนะพอไม่คิดเท่านั้นก็หมดจริงไหมครับผมพูดเนี้ทุกเรื่องจะหมด แต่ว่ามันจะไม่หมดเมื่อเราคิดครับเราบเราติดคิดแล้วก็ไอ้ความคิดที่มันมีออผมเปลี่ยนอีกทีนึงครับว่าคล้ายๆมียางเหนียวๆนะครับที่จะเชื่อมสมมติเราเอาไอ้ไม้ท่อนเล็กๆมาเนี่ยแล้วเอากาวที่มีที่เหนียวๆมันเชื่อมเชื่อมเชื่อมเป็นแท่งยาวนะครับแต่สมมุติว่าไอ้มือใดที่กาวมันเสื่อมคุณภาพนะครับ หรือเราทิ้งช่วงช่วงหนึ่งจนกาวแห้งในตัวมันเองใช่เอาไม้เชื่อมต่อไม่ติดครับปัญหาทุกปัญหาครับเมื่อเราจเจริญสติมากๆครับมันเข้าไปตัดกระแสความคิดเข้าใจไหมครับสมมติว่าสีสมอนนะันังมันก็ว่าเราโกรธใครสักคนพี่จริงเราก็รู้เขาว่าเราโกรธใช่ไหมครับแต่มันละไม่ได้ครับสติไม่ใช่ตัวละครับมันเป็นตัวกําหนดเท่านั้นเอง แล้วตัวมันก็มีปัญหาในตัวมันกันนะครับคล้ายๆว่าเสาคอนกรีตต้นหนึ่งนี่ยมันหักโค่นผมวิ่งไปเอาบาดยันมันเนี่ยมันอยู่แต่ว่ามันอันตรายมากๆเลยผมเผลอเดี๋ยวมันทับตัวละมันต้องอ่าเมื่อคืนก่อนี่ผมผมวัญญาที่ยืดยาวนะผมจะย่นย่อให้นะครความสัมพันธ์ระหว่างสติสมาธิปัญญานสตินี่เปรียบด้วยอ่าคือสตินี่มันทําหน้าที่ละความไม่รู้ตัวเท่านั้นครับ จิตของมันนะคือเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็ละความไม่รู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวมันอาจจะทุกข์ก็ได้มันรู้ตัวแล้วแต่มันทุกข์แต่มันรู้ตัวแล้วว่ามันทุกข์ที่นี่แต่มันละไม่ได้ครับดังนั้นสติทําหน้าที่ละความไม่รู้สึกตัวทีนี้พอสติต่อเนื่องเงินเข้านะครับต่อเนื่องเงนเข้าเ้าเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดกําลังขึ้น ดังนั้นสมาธิเนี่ยเป็นเพียงผลของการต่อเนื่องของจิตตัวรู้สึกตัวเนี้ยอมรู้สึกตัวถี่เข้าถี่เข้ามันเกิดเป็นกําลังเป็นพลังนี่มาทีนี้พอมันเป็นพลังมันก็ละความซัดสายของจิตนะครับความฟุ้งซ่านในจิตมันมันเริ่มถูกละด้วยสมาธิแต่ละความซัดสายแล้วมันยังไม่รู้เห็นรูปนามแบบที่เป็นจริงรมันมันเลนมันข่มไว้เท่านั้นเองสมาธิเนี่ยยังไม่ได้ละครับ ที movement, ่เมันมีสมาธิแล้วเนี่ยต่อมามันจะเริ่มเห็นครับว่าอันไหนรูปอันไหนนามมันเห็นอันไหนกายอันไหนจิตมันรู้ครับมันเริ่มสังเกตเห็นอันไหนที่คิดตรงแต่งไปอันไหนไม่ได้คิดอันไหนที่เป็นอะไรมันเห็นครับพอเห็นตรงนี้มันละ่ะเพราะว่าโทสะก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมครับจริงไหมครับสมมติว่าเราเราปกติเนี่ยเราไม่ได้มีโทสะอยู่พอโทสะเขมาสิมันเหมือนอะไรมันแยาเข้าใจไหมครับเหมือน ร่างกายเราไม่คันเนี่ยต่อมามันมีผงอะไรเข้ามาเรารู้สึกมันมันแปลกปลอมนะจริงไหมครับทีนี้มันดู น, นี้นะครับว่าอันนี้ผมไม่ใช่นินทาครูบาอาจารย์ที่เคยสอนนะครับผมเคยเป็นนั่งฟังที่วัดสึกเกรหรือวัดมาธาตุนะครับผมฟังผมคิดว่าฟังถูกแต่ยิ่งปฏิบัติยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้ น, นครับคือผมได้ยินท่านสอนว่าเมื่อราค้าเกิดให้กําหนดรู้ว่าราค้าเกิดเนยะผมผมคิดว่าถูก ผมก็กําหนดพราะกำหนดมันเลยจําตัวราคะนั้นใหญ่เลยครับกว่าผมจะจับได้นี้ไม่ใช่นะนานมากครับพอโทสะเกิดเรากําหนดโทสะเกิดมันเลยฝังใจกับโทสะทีหลังมาง่ายขึ้นครับแต่ว่าตัวตํวตารามันพูดไปอย่างนั้นจริงใช่ไหมครับวันนี้ทีหลังเนี่ยผมจับได้ว่าเอ๊ยไม่ใช่เแล้วครับมันเกิดไหวไหวซิเพียงว่าเราต้องจําสภาพซึ่งไร้โทสะไว้ล่วงหน้าก่อน แตรงนี้ผมจับได้คือคือเราต้องจับความรู้สึกตัวล้วนๆจึงไม่ไม่มีราคะไม่มีโทสาเนี่ยนะเนีย่ยอย่างนี้ทุกคนที่นั่งนี้ผมเชื่อไม่มีครับราคาโทสะแต่อาจจะมีโมหะคือเพืิดเผ ล, อ, เลอตัวบ้างครับปัจนี้เราพยายามคุ้นกับตัวนี้ที่มากครับพอคุ้นตัวนี้มากพอราคาเกิดมันจะเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าใจไหมครับแล้วมันจะจําตัวนี้มันตัวนี้ไม่จํามันก็เลยตกไปง่ายมันวูบหายไปเข้าใจไหมครับ โอ้ผมปฏิบัติผิดนานมากครับเพราะเขาสอนอย่างนั้นจริงนะผมไม่ใช้แกล้งจ่วงจับคุณวาจานะพูดกันมากทิ่งเทพโดยเท่านิ่งเทพครับว่าเมื่อราคะเกิดให้กาหนดรู้ว่าาคะเกิดกับเราแล้วหนอแหนโทสะเกิดโทสะเกิดทีนี้มันยิ่งจำตัวนี้ครับจำตัวโทสะจำตัวนี้หนักเลยทีนี้ แต่ทีนี้ที่ผมเข้าใจเนี่ยคือมันจําตัวที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะจริงไหมครับมันมารู้ตัวที่ไม่มีราคาเนี่ยเราไม่ได้มีทั้งวันทั้งคืนจริงไหมครับเ ร, เราไม่ได้มีอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเราสบายส บ, บายครับแต่ว่าพอมีอะไรกระทบมันเกิดครับเกิดราคาขึ้นเกิดโทสะขึ้นมันมันมันเป็นผลใช่ไหมครับ เัาทำที่ไหนเขาเนีมกี่ปีแล้วองปีที่ที่ไหนที่สุอเก็บนานจังเก็โลออกมาเจ็บนานจังเขสบายใจเคยๆวงออกีนแต่พอนที่ันถึงที่มันงไม่ออกอ่ะนะถ้าถ้ามันมันมัมันเป็นที่บอว่าเพราะว่ามันคิดออกมาแล้วจะตจอะหนาเพาะพที่แบบถามแล้วสบายใจนันเป็นมันอย่างนี้ เที่ยท่ทีรู้เลจริง ท, ที่ท่านกําหนดรู้ได้วบบ น, นี้เมื่อกี้ติดนั้นมันสติดีแล้วนะครคือดีคือคําว่าสตินี่มีความหมายอย่างนี้ครับหมายว่าเมื่อใดที่ขาดสติเมื่อใดที่ที่มีสติก็รู้มีสติเมื่อใดที่ขาดสติก็รู้นั่นคือสตินี่คล้ายเมื่อใดเราหลงหนึ่งครับเรารู้รว่านี่หลงนั่นแหละนั่นแหละดีขึ้นแล้วครับ ที่จริงท่านดีขึ้นบ้างแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเมันอกี่เข้าไปหนักเลยเนี่ยมันรู้แล้วรู้ตัวแล้วใช่ไหมฮะมันชักรู้ทันขึ้นมาแล้วอ๋อมันทุกข์เท่านั้นครับอันนี้เราต้องทนเป็นมิบากนะมันเป็นมิบากเราก็ต้องทนครับคือคือมันมีอย่างนี้นะครับไอ้สตินีมันละทุกข์ไม่ได้แต่ว่ามันละความไม่รู้จักเนี่ยได้ครับบัดนี้มันรู้จักแล้ว ทีนี้ที่เหลือมันเป็นเศษนะครับเรานานข้าวมันจางไปเองไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวก็จางไปเองครับเอาอย่างนี้นะเหมือนกับว่าอ๋อแล้วถ้านอนฝันนะครับสมมุตินอนแล้วฝันฝันว่าสมมุติฝันแล้ผีไล่สมมุติไปสมมุติไปเท่นั้นเองครับฝันแล้ผีไล่แล้วก็ตกใจมากในฝันนะครับ วิ่งสุดแรงเกิดประดนี้ตกใจตื่นตื่นมาแล้วใจเต้นต้มๆแต่ว่าท่านไม่ต้องทําอะไรกับมันนะเพราะว่าบัดนี้ท่านรู้แล้วว่ามันฝันไปเข้าใจไหมเออฝันไปแล้วนะแต่ว่าใจนี่ยังไม่หายนะมันยังต้มๆแต่ว่าไม่ต้องยุ่งลงมาเดี๋ยวมันจบเองครับเพราะมันรู้เสีแล้วเออเมื่อกี้เราเผลอไปเท่านั้นเองเข้าใจไหมที่ถ้ขืนไปพยายามที่บังคับใจ